มีอะไรไปวิ่งวนอยู่รอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตหาได้วันไหวไม่ถ้าหากว่าได้อ่านหนังสือมุตโตไทถีติ่งผูตังของหลวงปู่มั่นคือตรงนี้ในพระสูตรที่มีในคำภีธรรมติตตาธรรมนิยามตาธรรมติตตาเพราะความที่จิตตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวยัย